เรื่องมันเกิดอือ น, นี่เออคอยคอยโอกาสนะแล้วก็อย่างผมเรื่องทีง่ยยยมันเกิดเรื่องมันเกิดในอดีตขึ้นมาเงี้ยผมว่ามันผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเงี้ยใจมันก็ยังวกกับไปวกกับไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหลงครับ<ง>แต่แ ต, <ล>แต่ก็ยังรู้ตัวทันครับรู้รู้ว่ามันเป็นอดีตต้องคอยโยนนิสุขตัวเองอยู่ไม่ต้องรู้ตัวทันรู้ตัวทันอย่างเดียวรู้ทันพอมันตติรู้ตัวทันพอมันดรแลว้้อีตก็ูน รู้ทุกข์ทไปเรื่อยๆมันความหลงมันจะน้อยลงเราอย่าไปงุดหงิดกับความหลงนะต่อไปเราไปงุดหงิดกับความหลงเนี่มันจะมันจะเพิ่มอารมณ์แล้วเราเราก็จะไ ป, ไปกดมันจนจิต ด, ดําปีเลยเราไม่มีทางที่จะกดบันทีเดียวอยู่ได้หรอกเราต้องค่อยๆรู้ทุกข์ทำมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะสั้นลงเองน้อยลงเอง คื อ, อ, อ <c oughs> แรกๆอาจจะรู้สึกคือแรกๆอาจจะรู้สึกโกรธตัวเองหรือไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันอันนี้นะก็<า>แย่เลยค่ะที่แบบเอ๊ะอะไ ร, อ, ะไรอย่างเงี้ยมันไปคิดอีกแล้วไปหลงอีกแล้วอย่างเงี้ยพอมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือมาฟังทรรหลวงตาอีกแั้วแหละว่าก็ปล่อยมันไปสิพอปล่อยมันไปมันก็โล่งเลยค่ะแล้วเราก็เออช่างมาเราก็เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็ถูกต้อง ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาหลงอะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าใครจะเกิดมารู้ก่อนหลงล่ะมันก็ต้องหลงก่อนแล้วรู้ไม่นั่เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ฝึกไปฝึกฝึกฝึกฝให้สติเอมันมากให้มันไอฝึกหลงหลับหลัยรู้ตัวมากขึ้นหลงหลับรู้ตัวหลงหลับรู้ตัวทันหลงรู้ตัวทันนี่พอมันรู้ตัวทันบ่อยๆความหลงมันก็น้อยลงสั้นลงหลงน้อยลงสั้นลงไปเรื่อยๆ เห็นว่าความหลงเปนเรื่องธรรมดาใครจะไปเป็นเกิดขึ้นมาเป็นอรหันต์เลยแล้วโดยที่ไม่ไม่หลงก่อนไม่มีหรอกมันต้องหลงก่อนแล้วรู้ท่อทานหลงก่อนรู้ท่อทานหลงก่อนรู้ต่อทานพอเราคิดอย่างนี้เราก็หลงเรื่องปกติอรหันตุปองก็ต้องหลงมาก่อนแล้วมาลุมาลุที่หลังแม้แต่พุทธเจ้าองค์พระ菩สดาเองก็หลงมาก่อนแล้วมารู้ที่หลังจึงตัดสรูุ้เป็นพุทธเจ้า หน้าที่เรามีสติอย่างเดียวมีสติที่จะรู้เท่าทัานอย่างเดียวไม่ที่ไม่มีหน้าที่ไปโกรธโมโหจิตที่ลง อ, อ๋อเอาพูดมาอัตอนที่หลวงตาบอกว่าหลวงตาบอกว่าต้องมันจะทุกข์ก็ช่างมันสุกขก็ช่างมันแต่เราทําทํำใจอยู่กับมันให้ได้ไม่ใช่มันมันมันสุขมันทุกข์เราต้องเข้ามาหาผู้รู้ผู้รู้สุขผู้รู้ทุกข์มันคิดติกตอนปรุงแต่งไว้ยังไง เราจะไปทำใจกับสุขทุกชั้นเดียวนะมันจะกลายเป็นไปทำใจเฉยกับไ่ทำอุเบกขากับสุขทุกเราต้องมีความไปรู้สัมผัสความรู้สึกเป็นสุขสัมผัสความรู้สึกเป็นทุกเราจะต้องรู้ว่าผู้เราตัวเราผู้ไปรู้เนี่ยความสุขมันคิดติดต่อปูุแต่งไว้ยังไงขณะจิตที่ตัวเราไปรู้ความทุกความไม่สบายใจตัวเราคิดตัวเราผู้รู้เนี่ยคิดติดต่อปูุแต่งอย่างไรเราต้องรู้ตรงที่ผู้รู้ไอผู้รู้เนี่ยมันเป็นวิญญาณขัน วิญญาณาขันมันทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารมันเลยต้งรู้ต้งคิดติดตองตั้งรู้ตั้งั้งคิดตั้งรู้ตั้งติดตองตั้งรู้ตั้งถูกใจไม่ถูกใจงั้นเราก็เห็นมันเห็นตรงผู้รู้นี่เนี่ยที่มันคิดติดตองถูกใจไม่ถูกใจอาการของสุขเวทนาทุกเวทนาแต่รู้ตรงที่มันคิดติดตองคิดติดตองพว่าผมเป็นมีเวทนาพอใจไม่พอใจเราก็จะรู้อีกในวิญญาณาขานันตัวต่อไปมันจะรู้ความพอใจไม่พอใจ แล้วมาบรรลุผมีความพอใจไม่พอใจมันก็จะคิดติกตองอีกคิดติกตองแบบนี้ยมันจะคิดติดตองไปไม่หยุดแนละจนกว่าเราจะตายแต่ถ้าตายแล้วเนี่ยเรายังไปเป็นคนหลงไปคิดติกตองหลงไปเป็นคนคิดปรุงแต่งเองเนี่ยเราตายแล้วเราต้องไปเกิดอยู่ในในร่างอื่นๆตามตามบุญหรือบาปแล้วเราก็จะลงไปคิดติดตองปรุงแต่งอีกแล้วตัวเราจะหลงไปคิดอีกเราไปคิดตึกตองอย่างนั้นจนกว่าชาติหนึ่งชาติใดเนี่ยเราเริ่ม รู้จิตที่มันคิดติดตอปรุงแต่งแต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้คิดถึงตึดตอปรุงแต่งคือเป็นวิสังขารวิสังขารคือคิดคือปรุงแต่งไม่ได้คิดนึงติกตอปรุงแต่งไม่ได้วิสังขารหรือว่าเป็นอสังคตธาตุคือเป็ น, นาธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันหรือมันเนี่ยเป็นทาทธาตุที่ไม่ปรุงแต่งหรือไม่มีใครปรุงแต่งมันได้คุณสม บ, บัติของมันเนี่ยมันมีความรู้แต่คุณสม บ, บัติมันเนี่ยมันเป็ความว่างเปล่ า, าเช่นเดียวกับความว่างเปล่าของธรรมชาติหรือจักรวาล แต่ความว่างเปล่าข้งมระจจักรวาลเมันไม่มีความรู้แต่ใจที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยที่เป็นอสังคตธาตุเนี่ยมันมีความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีขอบเขตไม่มีแสงไม่มีสีอะไรหรอกไม่มีกิริยาการใดๆแต่มันมีความรู้อยู่มันแตกต่างกับความว่างจักรวาลตรงที่แค่ที่ว่าความว่างของใจเนี่ยมันมีความว่างของธาตุรู้เนี่ยมันมีความรู้ แต่ความว่างจักรวาลไม่มีความรู้ถ้าเราไปถึงใจหรือธาตุรู้ที่เป็นความว่างที่มีอยู่ความปรุงแต่งเนี่ยอันเนี้ยมันก็ตายแล้วมันก็จะไม่มันไม่มีที่ไปเพราะว่าโลกทั้งสามเนี่ยมันต้องไปจะหลงไปลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งมันก็เกืมีที่ไปแต่ถ้าเราเนี่ยไม่หลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งแล้วมันเลยไม่มีที่ไป อย่างอ่าอย่างอย่านว่าผมผัดอาหารอย่างไงครัน้ํามันน้ํามันกระเด็นดับไฟมั้งน้ำมันมันกระเด็นมาโดนแขนเงี้ยคือมันปุ๊บมามันก็รู้สึกว่าร้อนละผขก็บอกรู้คือแล้วรับรู้ว่ามันร้อนแล้วก็แล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยมันถูกไหมครับไม่ใช่เราอย่าไปคิดอย่างงั้นคิดอย่างงั้นมันยังไม่ไม่เป็นความจริง <necessary. S 2> น้ำมันมันมาโดนแขนปฏิบัติไม่ถูกน้ำมันมาโดนแขนแล้วเราต้องเห็นไใ้ผู้รู้อ่ะผู้รู้ว่าน้ำมันมาโดนแขนมันร้อนไอ้น้ํามันโดนแขนแล้วก็ไปหาอะไรมาทาไอ้ส่วนใจที่ไปรู้มันร้อนเนี่ยเราไม่ต้องบอกมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่นผิดเราต้องเห็นใจของเราเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยเห็นในวิญญาณขันผู้รู้เนี่ยที่มัไปรู้ความร้อนเนี่ยที่มาโดนผิวที่เกิดที่ผิวหนังน้ํามันมาโดนแขนเนี่ย ไอ้วิญญาณาขันเนี่ยมันไปรู้แล้วมันคิดติดตอมว่ายังไงจิตวิญญาณนักขันเนี่ยมันคิดติดตอมผู้แต่งว่ายังไงกับอาการความร้อนที่ผิวหนังที่น้ํามันมาโดนแขนเนะมันคิดติดตอมผูแต่งว่ายังไงมันจะคิดตลอดเนี่ยตอนที่เราลุกไปเอาหายามาทามันก็ยังคิดติดตอมตลอดเวลาเราก็เห็นตรงไอ้ผู้รู้ที่คิดติดตอมตลอดเวลาไม่ใช่เราไปต้องไปบอกว่ า, าตัวเราไม่เรานี่ไอตัวผู้ร้อนไม่ใช่ตัวเรามันไปไม่ได้เรามันเป็นไม่เป็นความจริงปฏิบัติผิด แม้แต่เราตอนที่เราเดินไปเอายามาทาเนี่ยเราก็ต้องเห็นว่ามันคิดติดตอนปูงแต่งอยู่อะไรเราก็เห็นมันแล้วเราก็สักแต่ว่าเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดติดตอนปูงแต่งตลอดเวลาไม่เลิกลาเรามันทั้งวันทั้งคืนจนกว่าเราจะตายมันคิดตลอดมันรู้อะไรมันคิดติดตอนปูงแต่งตลอดเราก็เห็นมีคนคิดอะไรในใจตลอดพูดในใจเหมือนบ่นอยู่คนเดียวตลอดทั้งวันทั้งคืนอันนี้ยเราไปดับมันไม่ได้ฮะถ้าเราไม่มีสติหลงไปเนี่ยมันมันดับ เราดับความหลงได้คือรู้ต้านความหลงจะดับไปแต่ในกรณีที่เราวิสติเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเราไม่หลงเนี่ยมันจะวิญญาณขันไปรู้อะไรมันก็จะพากวิเคราะห์วิจาร์วิจัยมันเป็นขันห้านเนี่ยเราดับไม่ได้เราจะดับไม่ให้มันพูดอยู่ในใจคิดอยู่ตามโป๊ะแต่ง ใ, ในใจเราทำไม่ได้ระดับวิญญาณขันไม่ได้แต่ระดับวิญญาณขันตายเลย อย่ที่หลวงตาบอกเมื่อกี้เนี่ยและเคิดว่าจะไปปฏิบัติยังไงเพรว่าอย่างในเคสของน้ามัน่ามันโดนแขนแต่ก่อนก็คือคือแบบเออต้องบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ตัวเราคือรู้แล้วมันร้อนแล้วไม่ใช่ตัวเราแต่หลวงตาบอกว่าให้ดูว่าพอมันโดนแล้ว อาการที่ในใจมันคิดคิดไว้ยังไงเออร้อนมันจะหายร้อนไหมอะไรมันยุกยิกยกิกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบังดับอันนี้ถึงให้ดูดูที่ว่ามันปรุงแต่งต่อไปเนี่ยอืมดูมันก็จะมีตัวอื่นตัวอื่นแล้วก็อาจจะมีคนพูดมีคนพูดอ่านอเดอร์มาอย่างเงี้ยอ่านออเดอร์มาแล้วก็ดูอันว่าอานอเดอร์มาแล้วก็รับฟังแล้วก็ใจเราคิดอะไรต่อครับอาจจะพูดแรงๆมาอย่างเงี้ยก็ดูใจแล้วมันคิดอะไรต่อไปอย่างนี้ อ่นเถอต้องเราไปดับมันไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่สติไม่ขาดนะเราสติไม่ขาดเราจะรู้ใจเราคิดอะไรตลอดเวลาไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่ใจเราคิดตลอดเวลามันคือจิตหรือวิญญาณขันอันนี้เราดับไม่ได้มันจะพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อรู้อะไรมันจะพูดอยู่ตลอดเวลาในใจเราเออมันคิดติดตามตั้งแต่ตลอดเวลาแล้วเราเราดับมันไม่ได้เราดับไม่ได้มอืแต่ถ้าเราหลงเนี่ยเราเรารู้ทันมันดับไปได้กรณีที่เราสติขาดนะ เราหลงคิดปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยเราตัวเราไปหลงคิดปรุงแต่งอันนี้เรารู้ตัวทันมันดับได้มรู้ตัวทันมันก็จะหายไปได้เดี๋ยวเราก็จะหลงใหม่พอรู้ตัวทันปุ๊บรู้สึกตัวปุ๊บมันจะหลงเอาตัวเราไปคิดปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี้คิดนั่นคิดนี่เรารู้สึกตัวอีกความหลงก็จะดับไปเดี๋ยวเราก็จะหลงมาอีกพอเรามีสติรู้ตัวทันความหลงก็จะดับไปเดี๋ยวก็เสี้ยววินาทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะมันจะหลงปุ้งแต่งทันทีเลยเรื่องปกติที่จะต้องฝึกฝน มันก็จะหลงทันทีเราก็ฝึกให้มันฝึกบไปบ่อยๆเดี๋ยวจะไอ้ความหลงมันจะน้อยลงสั้นลงน้อยลงสั้นลงหลงที่หลงเอาตัวเราไปคิดตึกตองปุุงแต่งหลงเอาตัวเราไปมีอารมณ์มันก็จะน้อยหลงสั้นลงไปเรื่อยเอาหมดแล้วคําถามมาไหมเข้าใจหมดแล้วชัดเจนกระจ่งหนูก็คิดว่าเข้าใจอ่ะางตาละเพียงแต่ว่ายังยังมีตัว เราเข้าไปจับจ้องดูค่ะแต่<ช>เราสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวเราที่เข้าไปจับจ้องดูเนี่ยไอ้<า>ตัวนั้นน่คือตัวตัวปรุงแต่งค่ะตัวยังหลงอยู่ค่ะ ห, <า>ห<า>ลงเอาตัวเราเข้าไปจับจ้องดูปุงแต่งอันนี้ยเราก็รู้เท่าทันค่ะเนี่ยก็รู้สึกว่าหลงไปรู้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาอ่รู้เร็วขึ้ น, น, น, นแล้วก็หนูก็พยายามที่จะไม่ไม่ยึดเหมือนกับว่าที่หลวงตาเคยสอนตลอดว่า อย่าไปสวยอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าพอรู้บางทีคิดเรื่องทางโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ามันมันมีแต่ปรุงแต่งทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราตั้งใจคิดก็เป็น<จ>เราเรารู้ตัวอยู่มันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะทั้งเราต้องคิดต้องคิ ด, ต, คดต้องวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยทางโลกอ่ะเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ไม่ไม่หลงค่ะแล้วทีนี้ในทางโลกเนี่ยค่ะหลวงตาบางทีแบบ เรื่องงานนะคะบางบางทีเราแบบว่าเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้มันเหมือนกับว่ากําลังคุยเรื่องงานนี่แหละแต่ว่าแบบเหมือนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องรู้ตัวขึ้นมาว่ามันก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวเนี่ยค่ะพอหลงแล้วพอมันหลงแล้วก็รู้ตัวขึ้นมามันก็รู้ตัวขึ้นมาเราจะไปห้ามไม่ได้จะไปบังคับไปราไม่หลงไม่ได้มันก็หลงแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาหนูก็หนูก็ฟังทำหลุนตาเนี่ยหนูคิดว่าเออ มันมันเป็นแบบว่านิสัยสันดานเราใช่ใช่ใช่มันก็มันไม่ได้มันดหลายแล้วค่ะมันมันดีขึ้นมากหลายแล้วค่ะหนูก็คิดว่าเออมันก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อ่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดไปกดข่มมันมันก็เหมือนเออเหมือนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ถูกเดี๋จวจ๋าเนี่ยเดี๋ยวนี้พองอใสขึ้นเยอะกว่าเมื่อมาหาเราก่นก่อนๆมากเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาก ขเพียนในตอนเนื่องไม่ขาดสายอย่างที่ ท, ที่คุยวันนี้ยละ่ะความเพียนในการรู้เห็นละไปวางราะว่าดีมากเลยตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะออเยอะไหม ห, ห, หัวเราะแสดงสว่าเยอะนะ <c oughs> เยอะเละเปลี <c oughs> ่ยนแปลงไปเยอะ อย่างอย่างที่ยกตัวอย่างหลวงตาเมื่อกี้ค่ะที่แบบเวลาประชุมกันแล้วเราเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาอะไรอย่างนี้ยค่ะหลวงตาเราก็ต้องดูที่เราเราเป็นผู้รู้อารมณ์โกรธนั้นรู้แล้วก็มันคิดติดตอมผู้แต่งอะไรค่ะมันก็ไม่ได้ดังใจอะไรไม่รู้คิดอะไระไม่ใช่ดงใจมันมันคือมันคิดะอไ ะ, ดะไรอาจารยคิดติดตอมว่ายังไงค่ะไอ้ผู้ที่ไปรู้อารมณ์โกรธมันคิดติดตอมผู้แต่งอะไรค่ะ เราก็ดูตรงนั้นไปดูตรงผู้รู้หรดูตรงจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยแต่มันคิดติดต่อมันก็จะต่อตอ่อกัอ<ช>นไปเรียนนาสัญญาสังขารมันก็ต่อกันไปใช่ใช่ใชพอเรามาดูตรงผู้รู้เนี่ยอารมณ์โกรธที่ถูกรู้เนี่ยมันก็หมดความหมายต่อใจไปเพราะว่าเรามาดูตรงไอ้ผู้รู้ซะแล้วว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดติดต่อมุงแต่วิาพากษ์วิจารอะไรกับอารมณ์โกรธนั้นหรือคนที่มาทําให้โกรธเราพอเราดูที่ใจแล้วเนี่ยหรือจิตวิญญาณที่มันคิดติดต่อมุงแต่แล้วเนี่ย ตัวอารมณ์โกรธหรือคนที่มันทําให้โกรธเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ค่อยน่าสนใจใช่ค่ะเราจะมาสนใจดูแต่ตัวรูอะไรมาดูแต่สนใจแต่ใจหรืจิตหวิญญาณหรือในใจเราที่มันคิดติดต่อบงแตกไงต่อต่อคนที่มันทำให้เราโกรธหรืออารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าหนูก็ไม่ได้สนใจกับคนที่แบบเหมือนกับว่ามีอารมณ์ร่วมกับเราแต่ก็ดูที่ตัวเราเองดูที่ตัวเราค่ะดูที่ใจเราเนี่ยค่ะดูที่ใจเราคิดติดต่อบงแตกอะไรค่ะ เพราะถ้าเรารู้อย่างนี้โดยที่เราไม่หลงไปเอาตัวเราไปคิดเรารู้ว่าในใจเนี่ยมันคิดติกตอมบุงแต่งอะไรโดยที่เราไม่หลงเอาตัวเราเนี่ยไปคิดติงตอปรุงแต่งใจมันก็จะว่างเปล่าเป็นธาตุรู้เป็นเป็นธรรมธาตุเป็นสุญตาธาตุเป็นมหาจักรวาลเดิมเป็นมหาสุญตาแต่ถ้าเราเนี่ยหลงเอาตัวเราไปคิดึงตอมงแต่ง เราจะไม่พบกับธาตุรู้หรือธาตุว่างหรือนิพานธาตุหรือไอสุญญาตาหรือมหาสุญส ญ, ญาตาเราจะไม่พบหลวงตาค่ ะ, าคะบางทีเนี่ยมันเหมือนมันมีความคิดแต่ว่ามันมันไม่รู้เรื่องความคิดนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนหลวงตาฟังหลวงตาอยู่เนี่ยรู้ก็คิดตามไป และในความคิดที่ที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันก็มีเหมือนคิดมาแต่มันไม่รู้เรื่องค่ะมันคือเราก็ไม่ได้จับไปเราก็แค่ดูเฉยๆแต่นูก็ไม่ได้เอามันมาเป็นอารมณ์ค่ะแต่เราสังเกตได้ดีเนี่ยท่าจารย์สังเกตอย่าไปสังเกตตัวที่อย่าไปสังเกตตัวที่ตัวความคิดเวลาเราไปรู้ความคิดเนี่ยไอ้ตัวเราภไปไอ้ตัวที่เราไปรู้ความคิดเนี่ยตัวนั้นมันพาคมันก็ติดต่อมันก็พากอยู่ เออก็เป็นตัวเราไปรู้ความคิดเพราะถ้าตัวเราไปรู้ความคิดถ้าเราเก็ดีๆตัวเราที่ไปรู้ความคิดเนี่ยมันจะภาคได้มันจะพูดจะวิเคราะห์วิจารณ์ได้ตอนที่มันรู้ความคิดเนี่ยตัวมันก็วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยมันภาคได้ไม่ใช่ไม่ถูกไม่มีคําว่าไม่ถูกมีแต่เห็นมันไม่ใช่ว่ามีไม่ถูกนะถ้าบอกว่าไม่ถูกผิดปุ๊บมันจะโกดตายเราต้องเห็นมันเห็นตรงที่ตัวเราเนี่ยไปรู้ แล้วมันก็แม้แต่เราไปรู้ความคิดแล้วตัวเราไปรู้ความคิดตัวเราเนี่ยก hmm, ็ภาควิเคราะห์วิจารณวิจัยเราก็รู้ที่ตัวเราเนี่ยที่มันภาคไอตัวเราที่ไปรู้ความคิดที่มันภาคได้วิเคราะห์วิจารวิจัยได้เนี่คือมันเป็นวิญญาณขันเป็นขันห่าวิญญาณขันขันห้าเนี่ยมัไปรู้ความคิดพอไปรู้ความคิดมันก็ส่งต่อเวทนาคือมันถูกใจไม่ถูกใจต่อไอความคิดเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้น แล้วมันก็ส่งต่อสัญญาสังขารตัวมันก็คิดอีกมันทั้งรู้ทั้งคิดตอนที่มันไปรู้ความคิดแต่ตัวมันก็ทั้งรู้ทั้งคิดอีกคิดติดต่อจะซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนไปอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะตายไม่ใช่ว่าเราไปดับมันได้นะไม่ดับไม่ได้มันก็จะซ้อนไปเงี้ยในกรณีสติไม่ขาดนะมันก็ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดแต่กรณีที่เราเนี่ยลงไปคิดลงไปคิดเลยเนี่ยเราจะไม่รู้ แต่ถ้าเราเนี่ยไม่ทิ้งรู้มันจะรู้อยู่เนี่ยก็เลยอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเราจะรู้ผู้รู้ทุกตัวที่มันคิดแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นคนหลงไปคิดจิ๊บจิ๊บิ๊แม้แต่ว่าเราบอกมีสติแล้วพระชนญาติสมบูรณ์ใจดูแต่เราหลงไปคิดเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเราจะไม่รู้ว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยตัวต่อต่อมาตัวหลังๆเนี่ยมันคิดติดตองอะไรอยู่ขณะเมื่อไม่รู้แล้วมันคิดติดตองอะไรมันคิดติดต่องอะไรไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดติดตองอะไรเราจะไม่รู้เพราะว่าเราเป็นคนหลงไปคิด เพรถ้าเราหลงไปคิดเนี year, ่ยเราจะไม่เราจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรตัวเราอ่ะเพราะเราเอาตัวเราเนี่ยไปคิดเมื่อเราตัวเราไปคิดเราจะไม่รู้ว่าตัวเรากําลังคิดอะไรตรงนี้สําคัญนะเมื่อเอาตัวเราไปคิดเราจะไม่รู้ว่าตัวเราคิดอะไรแต่ถ้าเราไม่เอาตัวเราไปคิดไม่หลงกับตัวเราไปคิดเราจะรู้ว่าตัวเรากําลังคิดอะไรอยู่ไอ้นี่ที่รู้ว่าตัวเรากาลังคิดอะไรอยู่โดยที่เราไม่หลงกับตัวเราไปคิดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบรรลุนิพพานแล้วปฏิสุทธิ์เราจะตั้งเราเห็นตัวเราคิดแต่ตัวเราไม่คิดอันนั้นแหละ จะเป็นถาวรแล้วเนี่ยมันจะมันก็จะบรุญิพานไปก็คือว่าที่หลวงตาเคยบอกว่าการติดจดจอเนี่ยก็คือดูตัวเนี้ยไปอืมไม่มีการหนีไม่มีการถอยไม่มีการเลี่ยงหลบไปหลบมาก็ดูมันเห็นมันอย่างเงี้ยตรงๆอย่างที่เราพูดเนี่ยแล้วการที่ที่สมมุติพอเราคิดอะไรขึ้นมาเรารู้ที่เราคิดแล้วการที่เราไปพย มันเหมือนก็เอาตัวเราไปพยายามอะค่ะว่าเอ่อมันมันเหมือนกับว่าเหมือนก็สอนตัวเองอะค่ะว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ใช่มันไม่ให้ยึดนะค่ะมันเหมือนกับว่าที่หนูถามหลวงตาว่าไม่เอาไปเสวยอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่หนูรู้ตัวว่าหนูพยายามสอนตัวเองว่าเออมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่หลง เพราะหลูไม่หลงอันนี้มันเราตั้งใจที่จะสอนตั ว, <ะ>ตวเองไม่ลหลงหรอกเ<ะ>ลย<ะ>ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยตั้งใจจะคิดเรื่องงานการทางโลกไม่หลงเราเพราะว่าเราตั้งใจจะคิดเราตั้งใจจะสอนตัวเองอันนี้ไม่หลงหลงคือมันมันมันคิดปรุงแต่งไปโดยไม่มีสติไปตามความเคยตัวเคยใจอันนั้นหลงเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมา ธรรมชาติเราธรรมชาติทุกคนมันต้อ ง, งตั้งใจที่จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าเราไม่ไม่ตั้งใจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปล่อยให้มันอยู่ว่างๆเฉยๆไม่คิดอะไรเลยก็เออเอเอซื้อบือ ต, ตายเวลาที่จะถามอะไรเอาไม้ไปอ่ะตักเต็มที่เลยตรงไหนครับครับก็โอกาสก็ในความเข้าใจของผมก็ นะตอนนี้ก็คืออะไรก็ตามที่ที่ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาที่ที่ที่เราตั้งใจมานี่ก็คือมันเป็นตัวเราทั้งหมดผมเข้าใจถูกไหมครับมันเปนยังไงคือทุกกิยาการที่เราเริ่มเข้าไปสตาร์ทนะครับแม้แม้กระทั่งความสงสัยที่ที่ที่ณตอนนี้มันก็เป็นสังขารอีกใช่ไหมครับ อืเป็นความหลงเข้าเอาตัวเราเข้าไปเป็นสังคารถูกต้องเราเริ่มสงสัยเริ่มสตาร์ทก่อนเริ่มปรุงแตง่งเอาตัวเราเข้าไปปรุงแตง่งอะอันนั้นก็คือเป็นความหลงเป็นอวิชชามีตัวเราเราเข้าไปปรุงแตง่งเริ่มต้นเป็นผู้ปรุงแตง่งแต่เราไม่ได้เห็นจิตที่เป็นปรุงแตง่งแต่เราเอาตัวเราไ ป, ไปเป็นคนปรุงแตง่งครับแต่ยึดลนไปค้นหาไปพยายามไปสงสัยไปคิดติกต้องคือเอาตัวเราเนี่ย ไปเริ่มต้นปรุงแต่งไปคิดนึกติดตองปรุงแต่งแทนที่เราจะเป็นเห็นจิตที่มันคิดนึกติดตองปรุงแต่งแต่เราเป็นคนเป็นคนคิดนึกติดตองปรุงแต่งที่ล้นค้นหาเสียเองครับอันนี้อันนี้อันนี้พอเห็นนะพอรู้รอยู่แยกออกเนาะครับอทีนี้ก็คือถ้าพอพอพอเราเห็นอย่างนี้คือมันก็จะสลับกันระหว่างหลงกับรู้หลงกับรู้อย่างนี้ใช่ไหมครับมันถูกต้องถูกต้องมันพอมันพอรู้พอรู้ปุ๊บ มันก็เริ่มค้นต่อมันก็หลงต่ออย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถูกต้องเราก็รู้เท่านอีกมีหน้าที่รู้เท่าทนนะจะไม่หลงไม่มีเราก็รู้เท่านเรื่อยไปมันจะหลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงสั้นหลงสั้นหลงครัหลงน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นรูโดยที่ไม่หลงแต่รูแป๊บเดียวหลงอีกแหละก็คือไม่ไม่มีวันจบนนจบในจบคือมันจะตอนแรกเนี่ยถ้าเทียบสมมติเทบเปอร์เซ็นใช่ไหม ครับมันจะรู้แป๊บเดียวแล้วหลงไปเก้าสิบเก้าเปรเซนตรู้หนึ่งเปอร์เซ็นครับเแล้วเราก็ถ้าเราเริ่มเจอรู้สักครั้งหนึ่งอ่ะที่ไม่หลงอ่ะครับคือไม่หลงเอาตัวเราเป็นเป็นผู้เริ่มต้นคิดนึกติดตอนปรุงแต่งนะครับคือเราเห็นจิตที่มันคิดนึกติดตอนปรุงแต่งแล้วก็ตัวเราเนี่ยไม่มีกิริยาอาการใดๆเลยได้แต่รู้จิตที่ปรุงแต่งถ้าเราเคยเห็นมาสักครั้งเดียวต่อไปมันจะมันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายกันแล้วแหละต่อไปเนี่ย ไอ้ที л, ่ว่ารู้เนี่ยที่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเอาตัวเราไปเข้าไปปรุงแต่งก่อนเอาไปเริ่มต้นปรุงแต่งก่อนเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นเปอร์เซ็นต์จะเริ่มมากขึ้นตอนนี้ถ้าเราเคยเจอหน้าตาของรู้ที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยแต่เห็นจิตปรุงแต่งโดยที่ไม่หลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งเนี่ยพอเราเคยเจอมันมันก็จะมากขึ้นเลยไอ้ไอ้รู้เนี่ยมันจะมากขึ้นหลงมันจะเริ่มน้อยลงตามจํานวนที่รู้มากขึ้นคือรู้จิตปรุงแต่งกับหลงเอาตัวเราไปเป็นจิตปรุงแต่งเอาไปคิดตึกต้อมปรุงแต่ง จะเราแยกออกแล้วต่อไปเราเห็นตองหน้ามันชัดเจนเราก็จะเห็นแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันหลงแป๊บเดียวเราก็จะเห็นทันทีเลย ว, ว่านี่เป็นหลงพอเรารู้ว่าหลงมันก็จะเป็นรู้แต่ก็รู้แป๊บหนึ่งก็จะหลงแต่พอหลงปุ๊บมันไปไม่ไกลหลงแป๊บรู้เลยแล้วก็จะเป็นรู้อย่างเงี้ยแล้วรู้มันจะเริ่มมากขึ้นแล้วหลงจะเริ่มน้อยลงที่สุดหลงก็หมดไปเหลือแต่รู้แต่แต่เราห้ามเข้าไปไปหารู้ก่อนใช่ไหมครับ ถ้าเราพยายามรู้ก็เท่ากับว่าเราสตาร์ทที่จะไปปรุงแต่งไปเป็นตัณหาปรุงแต่งคือจิตมันยังไม่เป็นกริยาการอะไรใดเลยแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทจะไปเอาเข้าไปเอาคิดเนี่ยความจริงก็คือคิดจะเข้าไปดูจิตคไอ้ตัวนี้ก็คือมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาก่อนนะเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งเป็นสัการปรุงแต่งคือคิดจะดูจิตที่ปรุงแต่งตัวที่จิตมันยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่เห็นเลยมันไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรไม่เห็นแต่เราเนี่ยคิดจะเข้าไปดูจิตที่ปรุงแต่ง ไอ้ตัวเนี้ยเราต้องรู้เทัาทานไอ้ตัวนี้ว่าเราเริ่มต้นเข้าไปคิดปรุงแต่งที่จะเข้าไปดูจิตแล้วเราก็เข้าไปปรุงแต่งดูจิตนั่นจริงๆเป็นการหลงแล้วก็รู้เท่าทานันเราก็ละเสียต้องอาศัยการสังเกตละเอียดแยกตรงนี้ออกไหมล่ะหลงเอาเราอย่างเช่นว่าเราเร า, เราทำงานทั้งวันใช่ไหมแล้วเราก็อืมวันนี้ทํางานทั้งวันเลยยังไม่ได้ดูจิตเลยเราพอคิดแค่นี้ย เราเราก็เริ่มต้นคิดเข้าไปดูจิตคิดจะเข้าไปดูจิตแล้วเราก็ไปดูจิตตามที่เราคิดอันนี้คือมันหลงตั้งแต่คิดแหละหลงเขเอาตัวเราเข้าไปคิดจะเข้าไปดูจิตแล้วเราก็เริ่มต้นเอาตัวเราไปปรุงแต่งดูจิตมันก็เลยเป็นปรุงแต่งทั้งหมดทั้งหลงคิดจะเข้าไปดูจิตแล้วก็ปรุงแต่งตามความคิดนั้นคือปรุงแต่งดูจิตตามความคิดนั้นมันก็เลยเป็นปรุงแต่งหมดเลยครับเราก็รู้ตัวว่ามันเป็นปรุงแต่งแล้วเราก็ละเส เห็นมั่งไหมอย่างเงี้ยอ๋อทิฏฐะให้ให้สิ่งสงสัยให้มันสว่างสวยไปเลยวันเนี้ยครับก็ขนาดปัจจุบันไอไอไอตัวที่ที่สมมุติว่าอ่าผมฟังอยู่นะครับไอ้ข้างในมันก็จะตึกตึกตึกตึกตึกตองตามหาความเข้าใจอันนั้นก็คือคือเราเห็นแค่แค่แค่ไอตัวตัวตัวข้างในนั่นใช่มใช่ใช่ถูกต้องเลย แต่เราไม่ต้องไปหาความเข้าใจมันมันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลวงตาไอผู้ขอเข้าใจต่อๆมันก็เป็นตัวตักอากาศผูกแต่งอันนั้นเราจะหลงว่าตัวเราไปา็นตักอากาศู้แต่งก็เห็นตัวนั้นอีกอีกทีนะเราต้องรู้ทันเลยว่าถ้าเราหลงเพราะมันมเราเห็นตึกๆึ๊กตึแล้วเราพยายามพยาวามเข้าใจไอตัวที่มันตึกตึ๊กึกึกอยู่ในใจกแต่นี่เราฟังลงตาพูดเนี่ยตาก็มองเห็นหลงตาอยู่เนี่ยแต่ในใจเราเห็นมันคิดเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเนี้ยนตึ๊กตึนกตึ๊กตึ� มันเป็นวิญญาณคัน์ที่ทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาทั้งขันมันตั้งรู้ทั้งคิดติดตองได้ตั้งรู้ทั้งถูกใจไม่ถูกใจสิ่งที่มากระทบได้อันนี้เราก็สัตว์ต่วรู้เรื่อยไปสักแต่วรู้เรื่อยไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นเอาตัวเราเนี่ยไปหาความปรุงแต่งอยากจะให้มีความรู้ควาเข้าใจมากขึ้นคําเนี้ยเราเริ่มต้นเอาตัวเราไปปรุงแต่งมันแตกต่างกับที่ตามองเห็น ต, อตาอยู่หูก็ฟังเสียงแล้วในใจมัน คิดชักคิดชัเราก็รู้อยู่เห็นอยู่ไอ้การที่เรารู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยตรงนี้เรามีความรู้สึกตัวอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้ไอ้จิตที่มันตึกตักตึกตักตึกตักเนี่ยคือจิตหรือวิญญาณอาคารที่มันทางานร่วมกับเวทนาตัญญาตั้งขานมันทั้งรู้ทั้งทั้งคิดติดตองแต่ถ้าเราพอไปรู้อย่างนี้ครับเราก็เลยพยายามที่จะพยายามเลยมันเกิดความพยายามที่จะไปหาความเข้าใจจะไปคิดปรุงเอาความเข้าใจวิเคราะห์หาความเข้าใจให้มากขึ้น อยากให้มันเป็นมากขึ้นอันนี้เราหลงแล้วหลกัตัวเราไปตงแต่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะกลับมามาเป็นควารู้มาเดิมความรู้สึกตัวเดี๋ยวมาในใจก็จะชุกชุกชุกุกๆๆๆรู้อะไรรู้อะไรมนรู้อย่างเช่นตากลับมาเห็นดวงตาใหม่หูก็ได้ยินเสียงใหม่มันก็จะกลับมาจุกชุกๆุกชุกชุกชุกชุกอยู่ในใจวิญญาณวิริยานักจิตวิญญาณานักฐานทำงานเริ่มการวิจารณ์ตัณหาตัณหาก็จะชุกชุก สักระรุ <cover life> ่ม <teor>. พ <un terms> ูดอยู่ในใจคนเดียวนั่นแหละคิดติกต่ออยู่ในใจคนเดียวนยก็สักระรุ่นแต่เราสัตระรุ่นนี้ได้บุคคลสมที่พระเจ้าตรัสกับพยัะว่าเธอสอบตวรู้อย่างนี้เธอจะบรรลุพุทพภานเธอจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้จะไม่มีตัวตนของเธอในในโลกหน้าในโลกธรรมกลางเธอจะสิ้นกิเลสพ้นทุกบรรลุพุิภานพิยัพฟังจบบรรลุอรหันเลยไอ้สักระรู้ที่ที่แล้เนี่ย ีความรู้สึกตัวอยู่ตาก็มองเห็นต้งตาหูก็ได้ยินแต่ภายในใจเราเนี่ยมันคิดชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชดกชุกเุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชากชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุ่ชุกชุาชุกชุกชุกชุงชุกชุกชนกชุกชากชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุกชุงชุกชุกชุกชุกชุกชุกชนกชุกรุกชุกชุกถุนชุกชุกชุถชนกชุกชลกนั้น พอรู้ทันความหลงที่เอาตัวเราไปปรุงแต่งก็จะดับลงซึ่งบางทีมันมันก็ไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นถ้าเรามีสติอยู่นี่มันจะไม่ไม่คิดเป็นเรื่องเป็นลาวใช่ไหมกรองตาแต่ว่ามันจะเหมือนเหมือนมันมันมันเหมือนมันกมันตึกตองอะไรมันมันมันมันไม่เป็นภาษาของของของของมันนะถูกต้องถูกต้องมันเป็นราวบางทีมันเหมือนกับทาท่าจะพยายามพยายามจะไปดูจิตพยายามจะคิด พยายามจะหาเหตุผลพยายามจะค้นพยายามพยายามจะติดต้องเรื่องอะไรมันเหมือนกับทำท่าทำท่าทำท่าทำ่าอย่างนั้แหละบางทีมันมองไม่ออกเลยว่าเป็นความคิดมันแค่มีทนมั่นฮึดเึากัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮั่ฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮั่ฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดมัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดตัวเราไปดิึแล้ว เพราะว่าไอ้การรับรู้มัน อ, อย่างยกตัวอย่างว่าหลวงตาอธิบายทรมามัน ข, ข้างในมันคือคือด้วยด้วยการรับรู้มันมันก็รับรู้ของของมันไปเลยครับแต่ว่ามันจะมีไอ้ตัวที่มันมัน นีน่ตัวที่มันพูดไม่ได้ เ, เนี่ยตัวตายเหลือกับสุด ต, ตายเนี่ยไอ้รู้กับจิตที่มันมันหยุดพูดไปชั่วขณะหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันมันสิ้นความปรุงแตง่งคือจิตที่มันพูดอยู่ในใจเนี่ยมันหยุดพูดไปชัว่วขณะเดียวขณะจิตเดียวไม่มีคำพูดแล้วที่จะพูดออกมา ไอ้ผู้รู้ก็รู้ว่าไม่มีคาพูดใดออกมาไอ้ผู้รู้ที่ว่าไม่มีคำพูดใดต่ อ, อมาเนี่ยมันก็ไม่ได้พวงแต่งอะไรอันเนี้ยมันไม่มีคาพูดอะไรเรียกว่าอะไรมันรู้แต่เพียงว่าทุกอยา่าง มันหยุดปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งไปดูไปรู้อะไรแล้วไม่ได้ปรุงแต่งที่จะวิเคราะห์วิาจารณวิจัยอะไรแล้วไม่ได้ปรุงแต่งที่จะหาความเข้าใจอะไรคือมันเหมือนกับพูดอะไรไม่ออกแล้วก็พอจิตมันหยุดปรุงแต่งไปมันพูดอะไรออกอะไอผู้รู้มันก็รู้ว่าแบบ น, นี้ ทุกอย่างมันหยุดปรงแต่งหมดเลยก็ไม่ต้องไปหาความเข้าใจอะไรตอนที่คุยเป็นอย่างนี้คุณดูสิ่นี้ไปสิยงเจ็กจบรองเข้าใจเนี่ยเขาก็สัมผัสได้นะโลกราสั ง, งัดไปหมดเลย นั่นแหละเขาเรียกว่าหยุดปุ่งแต่งไอตัวที่พูดอยู่ในใจบนในใจก็ไม่มีความหมายต่อใจเลยเหมือนมันไม่ได้พูดอะไรหรือมันพูดอยู่ไกลๆไม่มีความหมายที่จะต้องไปดูมารู้มันแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งที่คิดจะเข้าไปดูมันก็ไม่มีไม่มีความคิดแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปดูจิต ในจิตที่มันปรุงแต่งมันก็แถมหยุดไปซะอีกที่มันบ่น่ะที่มันพูดบ่นอะไรใจที่เป็นขันห่าน่ะมันเกิดเหมือนหยุดไปเฉยอย่างนั้นเลยพูดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกและผู้รู้ก็เหมือนกับไม่ได้ทำงานอะไรเหมือนกับโลกระภายปในและโลกระธาไปนอกมันมันหยุดไปทั้งหมดหยุดไปด้วยกันภายในก็หยุดโลกระธาไปนอกก็หยุด การเป็นเช่นนี้เพราะว่าไอ้ตัวที่มันมันมับไอ้ที่มันพูดบ่นอยู่ในใจที่มันได้เป็นกรณีหลงนะเป็นกรณีที่ไม่หลงแล้วนะแต่ข้างในมันเหมือนไอะที่มันเคยพูดบ่นไอ้จิตวิญญาณอาการที่มันเคยพูดบ่นวิเคราะห์วิเครา์วิจารวิจัยเหมืนพูดบ่นคิดติดตออยู่ในใจคนเดียวมันเกิดไม่คิดอะไรเฉยๆแค่นั้นคือมันหยุดไปเองพูดไม่ออกด้วยความที่เข้าใจด้วยใจไม่ใช่ด้วยความจับ มันไม่รู้จะถามอะไรเพราะมันเข้าใจถึงใจมันไม่มีแม้แต่คิดจะไปดูจิตคิดจะไปรู้จิตหรือคิดเพื่อจะหาเหตุผลอะไรก็ไม่มีทุกอย่างมันหยุดไปหมดเลยตอนนั้นเน่ยมันเหมือนไม่เข้าใจอะไรเลย เราไม่ต้องการความเข้าใจอะไ ด, ด้วยแต่แต่รู้ว่าโลกกธาตุมันต้องไปสกัดอย่างนี้ไหมแค่น้นเนี่ย มันมีการพยายามหาเหตุผลดูว่าอนอะไรคืออะไรทําไมโลกก็ท่าไปในใจมันก็สงัดอย่างนี้ไะทําไมโลกก็ท่าไปนอกทั้งจกักรวาลโลกก็ท่าก็สงัดเงยบสงบสั่งัดอย่างนี้ไหมมันไม่สนใจเลยว่าข้างในมันจะคิดอะไรไม่มีใครมาสนใจแม้แต่ห้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีที่จะไปสนใจว่าข้างในคิดอะไรคือมันเหมือนโลกก็ท่าภายในมัน มันสั่งัดไปหมดเลยโลกก็ถ้าไปนอกมันก็สงบสั่งการไตอนนี้เราจะสังเกตเห็นชัดมากเลยว่าจิตมันคิดนึ ก, กติดตอมุงแต่งขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้ไปดูไม่มีผู้รู้ไม่มีใครก็ไปเสวยไม่มีใครก็ไปลองรับหรือเราเอาตัวเราไปคิดปุงแต่งอะไรอยู่มันจะเห็นชัดมากถ้าเป็นอย่างงี้ แต่มันจะแต่มันตั้งหงบตั้งัดตั้งภายในและภายนอกมันจะเห็นชัดมากเลยอะจิตมันคิดนึกติดตองปรุงแต่งกันในเองโดยไม่มีตัวเราก็าไปดูไปรู้ก็ไปสไวยเข้าไปยึดถือก็ไปลองรับหรือว่าเราเนี่ยเผลอาตัวเราเข้าไปคิดติดต่อปรุงแต่งไปเคราะห์ ว, วิจารวิจัยพยายามจะค้นหากว่าเข้าใจ เทียบเคียงเปรียบเทียบมันจะเห็นชัดสังเกต ด, ดีดี